ได้ยินเสียงตข้าในครัวตือนประชาชนสุกว่าเขายิงชั่วหน่อยไม่เมื่อยเหนื่อยล้าเหมือนเมื่อคืนเมื่อคืนยีตายได้แล้วหน้ามือตาลายไปหมดใครเกิดอะไรเป็นต้องผ่านหาเรื่องซะอย่างงั้นแหละก็เดินเข้าไปในครัวเห็นถึงง่วงอยู่กับกระทะบนเตาฟืนเออมองไปทางไหนก็มีแต่หยักย่ย่ย่ห้อยระยงระย่างเหมือนหลงไปในยุคของสัตว์ประหลาดยังไงอย่างนั้นนี่เลย บ้านชาวดอยบ้าสเริร้อยอยากย่ายขึ้นเต็มไปหมดอ๋อต้องใช้เป็นศิลประกรรมทิศหนึ่งชาวดอยต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยที่เราจะอยู่ความสุกปรดอย่างนี้ได้ยังไงที่เคยอยู่จะว่าแต่อยากย่ายเลยไปแต่ที่หยดเจาตัวนึงก็ไม่ปล่อยให้ตักายกำหนั่งนี่อะไรทำไมถึงสขปรดอย่างนี้เคาได้มาเป็นเมียนจะทํำยังไงเพ่ต้องทนทําใจกับความสุขปรกเลย นินทาในใจเสร็จหรือยังล่ะนี่เธอจะบอว่าฉันนะทำไมทำไมฉันจะว่าคุณไม่ได้เธอไม่มีสิทธิ์มาว่าฉันแบบนี้ เพราะฉันจะไม่ได้ตําหนิอะไรเธอเลยไปแต่จะพูดออกมาด้วยใช่คุณไม่พูดแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยของคุณมันคิดเจ็บๆนะเรืองอะไรนิ้วมันจิ้มท่านอกเช่นแบบเนี้แต่ก็โดนแผลที่โดนยิงจนได้หรอแล้วเลือดตกนายจะว่าอย่างไรอ้าวกลัวตายเหมือนกันเหรอมีใครไม่กลัวตายบ้างเธอก็พูดแปลกนะก็คุณไงที่ไม่กลัวตายใครว่าเห็นเมื่อคืนเนี้ยวอยวายลั่นบ้านอยากจะตามหมอเข้าอำเภอไม่เคยกลัวตายเลยสักนิดเดียว ก็จะไม่อยากอยู่ที่นี่นี่นาะนึกเหรอว่าฉันอยายคุณอยู่นัก อ, ะอ่ะโอ้ที่ให้อยู่เนี่ยนะ เ, เพราะว่าสมเพศคุณถูกปล้นแล้วก็ถูกยิงปานตายหรอกถ้าไม่นึกถึงมนุษยธรรมแล้วก็ปล่อยให้คุณตายไปนานแล้วขอบใจมากนี่ตอนฉันกราบงามที่ตักเธอไปเนี่ยฮะก็ลังกราบดูสิอะไรฉันตักแกงจืดราใส่หัวคุณเลยหัวคนใจร้ายแน่นอนสิกับคนปากดีๆอย่างคุณนะ่ะนะ มันต้องใจร้ายขืนใจดีด้วยสิโดนยําเละเลยล่ะใคกล้ายําเธอเล่อก็คุณไงเอ้าฉันไม่กล้าหรอกนาโดนกระเสือนี่อย่ามาว่าฉันนะอ่ะยกนี่ออกไปอ้าวอ้อ้าวใช้ฉันได้ไงอะทำไมาจะใช้ไม่ได้ก็อยากเข้ามาในห้องครัวทํามาอืมถ้าคนเป็นหิวนี่นาแล้วจะให้ไปไหนคนหิวเนี่ยฮะห้องน้งําไงนี่จะบอกแล้วว่าจะให้ฉันไปกินอืในห้องส้วมแกหิวไปงพลางอะฮะใช่ละ โอ้โหนี่เธอคิดได้ไงเนี่ยจะคิดไม่ได้ที่คุณนะ่ะยังคิดไปต่างๆหนาเลยนี่ฉันก็มีสิทธิ์คิดเหมือนกันเก่งเหลือเกินขอถามหน่อยฮะถามอะไรสาวชาวแม่สเสียงอ่ะปากเก่งเธอทุกคนหรือเปล่าฮะถามทำไมก็ อ, อยากรู้อยากรู้ก็ไปพิสูจน์เอาเองสิหมู่บ้านชาวแม่สเสียงเนี่ยพร้อมที่จะให้คุณพิสูจน์อยู่แล้วก็เหรอก็ใช่น่ะสิเออจอยพิสูจน์ดูว่าเ อ, อ่อสาวชาวแม่สเสียงนะปากเดียงเธอทุกคนหรือเปล่า ตัวเองนั่นแหละปากดีเอ่อฉันยกชามนี่เอาไปก่อนนะก็ยกไปสิใครไปว่าอะไรคุณล่ะฮี่ดูกับเสือที่ตัวล่ะเจ้าเล่นอย่างกับลิงน่ะสีลาะ ารับฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment Hey, t h a s n d o no. t ฟังรายการละครวิทยุแม่เสเรียงที่รักนำเสนอโดย Nation Entertainment ระบมอยู่อะระบมทําไมไม่นอนพักลุกขึ้นมาทําไมมันยังเช้าอยู่เลยอะผมนอนไม่หลับอะทําไมถึงนอนไม่หลับหรือว่ามันตื่นสถานที่หรือไงเปล่าครับอากาศหนาวมากเลยมันหนาวเข้าไปถึงกระดูกเลยฮะอ้าวนี่นางสีรามอะไรเอาเสื้อกันหนาวมาให้เองล็อกเหรอให้แล้วแต่ผมไม่ได้ใส่มันอ้าวทาไมไอ้รู้ว่ารังเกียจเสื้อกันหนาวราจะพูดตรงๆได้ไงทั้งนายก็รักษาลักใจเจ้าของบ้านมั่งนะ อีเดนนยพวกเท่าคนนี้ก็ช่วยชีวิตเราไว้และความดีของเขาทําให้เรารู้สึกซาบซึ้งน้ำใจไม่น้อยทีเดียวเป็นนึกไปว่าชาวแมกซ์เลียนจะมีน้ําใจพนักงานได้ขนาดนี้ซึ่งในเมืองใหญ่ๆแล้วคงหาไม่ได้นั้นล่ะที่ไหนยิ่งเจริญก็เจริญทางวัตถุและทุกคนที่กลายเป็นคนจำพวกวัตถุนิยมบริโภควัตถุไม่ได้บริโภคจริยธรรมกันแล้ว่ะว่างไงล่ะพอนุ่ม เออไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอฮะแล้วยังไงอะคือว่าตอนนั้นผมยัไม่หนาวแต่พอตื่นขึ้นมารู้สึกหนาวไม่ต้อยากหยิบฉวยอะไรแล้วก็ข อ, อ, อพ่อผมคุมโปรเป็นพอฮะเหมือนเด็กๆ เ, เลยนะเองฮะ <c oughs> นี่ผมเป็นเด็กจริงๆเหรอครับเนี่ยออเด็กๆ ก, ก็เป็นอย่างนี้แหละหนาวแค่ไหนก็จะไม่ยอมลุกไปหยิบเสื้อกันหนาวเด็กขาดแย่งพ่อผมมาคุมโปงกันจ้าระวันแล้วก็นอนหนาวสั่นอยู่แบบนั่นแหละ พอดีเจ้พระเท่าอ๋อชเวเออมามามามมากินข่าวด้วยกันมาเรอมาศีลาทำข้าเสร็จแล้วเหรอจ้าเออเสร็จแล้วนั่นไงนางศีลากาลังยกกับข่าวออกมาแล้วนั่นงั้นฉันไปช่วยแล้วกันเออเอาสิยกหม้อข้าวมาเลยนะข้าเองก็รู้สึกหิวเหมือนกันเว้ยจ้าพระเท่าให้พี่ช่วยไหมศีลายกหม้อข้าวกับจานก็พอแล้วละจ้า อาชอนด้วยนะพี่สุเอจ้าจกให้หนูนี้แหละเอ่อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมนางศรีลาเรียบร้อยแล้วจ้าพ่อกินข้ า, าวเช้าได้เลยจ้าอ๋อออกับข้าวหอมจังเลยนี่ต้มยำไก่ละเจ้าพ่อพ่อฆ่าไก่เมื่อเช้าเนี้ยบอกให้ต้มไก่เพื่อบำรุงเลือดพี่ผู้ชายคนหน่อยเห็นว่าเมื่อวานนี้เสียเลือดเยอะต้องได้รับการบำรุงเป็นอย่างดีนะจ้าอา้าวเพราะผมเหรอ ทำใหพ่อเท่าต้องฆ่าไก่ตายแล้วจะบาปไปเนี่ยจะบาปได้ยังไงฮะไก่เป็นอาหารของคนอยู่แล้วนี่นะนี่กินเพื่อบำรุงเลือดนะเองจะต้องกินของดีๆเพื่อพักฟื้นนะไม่กินแล้วจะเอาเลือดจากไหนกันละ่ะจริงหรือเปล่าตัว่าผมรู้สึกผิดะนะที่ผมมาแล้วทำให้พ่อเท่าเอ่อต้องฆ่าไก่เฮ้ยไม่เอานะ่าอย่าคิดมากสิพอนุ้งเชื่อขา่าเถอะไก่ที่นี่เลี้ยงเอาไว้กินมีอยู่อีกเยอะ ไม่ต้องกลัวบาปหรอกเองไม่มาพวกข้าก็ต้องขากินกันอยู่แล้วเออเดี๋ยวสายๆนี่จะเชือดหมูสักตัวะว่างนะพ่อเท่าพ่อเท่าจะเชือดหมูจริงเหรอเนี่ยอืมเออว่างนะพ่อเท่าจะทำเป็นงั้นเลยทําไมอ่ะข้าเลี้ยงหมูไว้เป็นสิบสิ บ, สบตัวเชียวนะมันเป็นหมูเลี้ยงแบบปล่อยตัวดํามาเมียมเชียวละ นั่นๆๆ่เห็นไหมฮะ ห, หมูสีดำของคาร์ลวีนอยู่ทั้งนูน่นนะสีหตัวนน<อ>เห็นไหมเห็นคร<ะ>ับเห็นแล้วเอนัอ่นแห ล, ละกำลังหน่ากินช อ, อยูอเ่เลยวะอย่เชื่อไปเลยนะพระเท่ากินแค่ไก่ก็พอแล้วละ่ะจะเอาอย่างงั้นเหรอครับพระเท่านะฮะอ่ะก็ได้ถ้าเชื่อเองไม่เชื่อหมูก็ได้วะแต่ถ้าถึงวันเทศกาญยังไงก็ต้องเชื่อหนะไม่งั้นไม่มีหมูไวายบรรพบุรุษนะเว้ยครับพระเท่า ทุกอย่างพร้อมแล้วเจ้าพ่ออางั้นกินกินกินกินอาสุเบกินเลยพระเจ้าพ่อเท่าคุณครับกินเยอะๆนะครับอาหารจานเนี้ยบำรุงเลือดดีแท้จริงเหรอจริงครับเนี่ยศิละก็ทําให้คุณกินโดยเฉพาะเลยนะปกติแล้วเขาไม่ท่ยิ่งทำกับข้าแบบนี้หรอกนอกจากจะมีงานเท่านั้นเองคุณได้โชคดีมากที่เดีดที่ได้กินวันนี้อ๋อเหรอขอบใจมานะทศศิระม่งต้องมาขอบใจใช่หรอกเพราะฉันไม่ได้ทำให้คุณกินสักหน่อยเอ้า ก็ทำให้ใครอ่ะฉันทํำให้พี่สูเวถึงหกักพี่สูเวอะสมควรได้รับการบํารุงเลือดเพราะาว่าเมื่อวานเนี้ยเสียเงื่ อ, อยังไม่พอจึงต้องเสียเลือดให้คุณอีกด้วยอืมจริงๆแล้วจริงจริงสีลาแต่ผู้ถูกแล้วนะสูเวทท่านต้องกินมากๆนะจะได้บํารุงเลือดจริงๆล่ะอ่ะผมตักให้นะเดี๋ยวครับคุณเยอะเลยอาอขอบคุณมากที่ตักให้ผมแต่คุณเสียเลือดมากกว่าผมนะคุณนั่นแหละต้องกินให้มากๆศีลาบอกคุณเทพซิ ว่าเธอทำกับข่าจานนี้ให้กับเขาเอ๋พี่สุเวเรื่องอะไรมาสั่งให้ฉันพูดอย่างนั้นละ่ะก็เธอฉันทำให้พี่สุเวจริงๆนะสีลาคือว่าอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอเอะกินเนันเอะเอ า, า, าเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาเอาอาเออาเอาเอาเอาเอาเกาเอาเาเอาเนาเอาเอาเอนเอนเอาเอาเอาเาเอาเอาเอาเอาคอานอาเอาเอาเอาเอาอาาอาเเาอาเอาเอาเกาเอาเอาเอาเอเอ่อมเมอา นี่พระเท่าือจะไปเก็บใบชานะเอ า, เอานี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่สุเวอย่าเพิ่งไปสิทําไมอะฉันไปด้วยเธอต้องดูแลเขาหน่โอ้ยมีจําเป็นหรอเขาหายดีแล้วยังหายแล้วฉันบอกว่ายังก็ยังสิแต่ฉันบอกว่าหายดีแล้วก็หายดีแล้วสิพี่สุเวอย่าเถียงฉันได้ไหมก็ฉันอ <c oughs> <c oughs> นี่เอาละละไม่ต้องทะเลาะกันเล้วนะใครทะเลาะไม่มีใครทะเลาะสักหน่อยเอาเธอศรีลาเธอไปไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอก จะดูแลตัวเองได้เก่งแล้วสิท่าพอดีขึ้นหน่อยก็เลยจังหองไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครแล้วและอีกหน่อยก็เชิดหน้าสะบัดก้นไปจากที่นี่โดยม่หันกลับมามองอีกเลยขำอะไรงอนชินเหรอจะบ้าเหรอทำไมจะต้องงอนคุณด้วยเราไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อยอ่าอ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะพิสูเวคุณอยู่คนเดียวได้นะได้สิจะมีพระเท่าอยู่คนนึง พ่อทาไม่ปล่อยผมตายง่ายหรอสูเวอืมไปเถอะศีลาอืมจ้ะพี่สูเวรีบไปเลยค่ะอากาศข้างนอกวิเศษมากๆเลย <c oughs> จริงศีลานะเดี๋ยวอีกหน่อยยอดยา ก, <c oughs> ก็จะกลายเป็ <c oughs> นคันิ่งแล้วละ่ะอากาศเยี่ยมจริงๆเลยโอ้ <c oughs> oh, อากาศดีจังเลย <c oughs> คุณได้รับข้อคิดอะไรบ้างจากการรับฟังละครที่จบไปแล้วนี้โปรดเขียนไป r ษณียบัตรหรือจดหมายสแสดงความคิดเห็นของคุณมาถึงเราที่ตู้ปอน10 อ, อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่รหัสไปรษณี50000หรือส่งที่ SMS 0820335951ทุกท่านที่ส่งความคิดเห็นเข้ามาทางเราจะจัดส่งหนังสือหรือซื้อยืดไปให้แก่ท่านฟรี